เมื่อวานได้เล่าไปนิดหน่อยนะเกี่ยวกับเรื่องเมืองคาเทจที่ถูกโรมันโจมตีนะอันนี้ก็เป็นเปรจประวะัติศาสตร์ที่มีแง่มุมบางประเด็นที่น่าสนใจที่จะเล่าต่อสืบเนื่องจากการที่โรมนี่ไป ทำลายเมืองคาเทสคาเทสนี่เป็นเมืองที่เป็นคู่แข่งผู้ปรับของเมืองของโรมเนี่ยและเทียบไปก็คล้ายกับพ ม, ม่า ก, กับไทยนี่แหละนะแล้วก็โรมนี่ก็สามารถที่จะทำลายคาเทสจนยับเยินได้ก็ไม่มีศัตรูก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะแต่ปรากฏว่าพอไม่มีศัตรูแล้วเนี่ยโรมก็ เติมเกริมนะหลงในอำนาจแต่ก่อนเนี่ยสมัยที่ยังมีศัตรูอยู่ก็จะระมัดระวังจะทำอะไรก็ไตรตรองเพราะกลัวว่าจะเปิดช่องว่างให้ศัตรูมาทำร้ายและอีกอย่างนึ้งคือว่าเนื่องจากมีศัตรูก็ต้องพยายามสร้างสร้างมิตรสร้างแนวร่วม สามเมืองเล็กเมืองน้อยนะแต่ว่าพอจัตรูถูกทำลายไปแล้วนะอลรมก็ไม่สนใจแล้วนะที่จะสร้างแนวร่วมก็ทำลายยึดเมืองเล็กเมืองน้อยต่างๆมากมายส่วนผู้ปกครองก็เหลืองเพราะว่าไม่มีอะไรจะมาทัดทานอำนาจได้ก็กดขี่บีทาประชาชน มีการาต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันมากมายสุดท้ายนะ่ยร้อยปีหลังจากนั้นนะัโลโรมก็เสื่อมสลายไปนะแล้วก็ค่อยตกต่ำลงไปจนกระทั่งถูกพวกอนาธิยชนนะบุกทำลายจริงๆเรื่องนี้ก็มีคนเตือนไว้แล้วนะตอนที่โรมนี่จะเข้าไปบุกทำลายเมืองคาเทก็มี ผู้คนได้เตือนมีคนฉลาด ก, ก็เตือนไว้ว่าอย่าทําอย่างนั้นนะเพราะว่าในการที่มีพาเทศหรือศัตรูนี่คอยอยู่เนี่ยมันก็เป็นตัวทัศฐานทวงดุลไม่ให้โรมใช้อํานาจเกินขอบเขตนะแต่พอไม่มีตัวทัศฐานแล้วนะโรมก็เหลืองอานาจแล้วก็เสียผู้เสียคนไปเรื่องที่เล่ามานี่ก็คล้ายๆกับเรื่องที่เมื่อเช้า อาจารย์สุริทธ์เล่านะเรื่องโกเจ้งนะแล้วโกเจ้งนี่หลังจากที่กลับมาครองเมืองก็พยายามที่จะสะสมริพล์นะเพื่อที่จะแก้แค้นรัดอยู่นะโกเจ้งก็อยู่อย่างสมถะนะอยู่แบบเรียบง่ายไกล้ชิดรัษฎรทำนากับรัษฎรนะ เพื่อสร้างแนวร่วมจนกระทั่งในสุดก็สามารถที่จะทำลายรัดเย่ได้เอรัดอยู่ได้แต่พอทำลายเสร็จนะก็ตอนนี้ก็ไม่มีศัตรูแล้วก็เลยเหลืองในอำนาจอยู่แบบรู้หลาฟุ่มเฟือยใครที่เคยเป็นพวกเคยเป็นค่ารับใช้ที่ซื่อสัตย์ ก็ระแวงว่าเขาจะมายึดอำนาจก็ฆ่าหมดนะหรือไม่ก็บีบให้ฆ่าตัวตายอย่างที่อาจารย์สุเรนว่าเนี่ยร่วมทุกข์แต่ไม่ร่วมสุขนะคือตอนทุกข์เนี่ยนะก็ทำตัวเรียบร้อยน่ารักนะแต่ว่าพอมีสุขละประสบความสำเร็จก็เหลืองในอำนาจอันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจนะว่าบางครั้งเนี่ยการมีศัตรูนี่ก็ดีเหมือนกันนะ คนเราถ้าไม่มีศัตรูเสียเลยเนี่ยมันก็ประมาทหรือว่าถ้าไม่มีคนคอยจ้องจับผิดก็อาจจะเหื่มเกริมได้แต่ถ้าเกิดว่ามีศัตรูหรือว่ามีคนคอยจ้องจับผิดนะก็ทาให้เรามาระมัดระวังนะไม่ใช้อํานาจเกินขอบเขตหรือว่าไม่ทำตัวให้ผู้คนครหาได้ ศัตรูนี้ก็ถือเป็นภัยชนิดหนึ่งนะแต่คนเราเนี่ยนะนอกจากมีภยัยนอกจากภัยที่คุกคามเราจะได้แก่ผู้คนแล้วเนี่ยอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะเช่นความทุกข์นะความทุกข์นะความเจ็บความป่วยความพัดพราดสูญเสียพวกนี้ถ้าไม่มีเลยนี่ไม่ดีนะ เพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างประมาทได้คนเราถ้าไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักป่วยเลยเนี่ยก็นึกภาพได้นะว่าก็คงจะใช้ชีวิตอยู่อย่างประมาทจต่คนเราถ้ า, าว่ามีความเจ็บป่วยบ้างก็ดีนะมันทําให้เราเห็นคุณค่าของการมีสุขภาพดีคนเราเนี่ยไม่ค่อยตระหนักไม่ค่อยเห็นคุณค่าของการมีสุขภาพนะจนกว่าเราจะรู้จักรสชาติของความเจ็บป่วย ว่าเจ็บป่วยนี่มันทุกอย่างไงบ้างมันลำบากยังไงบ้างก็ทำให้เราเห็นคุณค่าของการมีสุขภาพดีแล้วก็ไม่เที่ยวเตะไม่สนุกสนานไม่ใช้ชีวิตตามอำเภอใจการตำหนิคำต่อว่าด่าทอก็มีประโยชน์เหมือนกันนะถ้าไม่มีเลยมีแต่คนชื่มชนสรรเสริญนี่ก็เสียพูดเสียคนได้คนที่มีแต่คน คนที่ได้รับแต่คําชื่นชมสารเสริ์นี่เราก็เห็นมามากแล้วนะว่าเขาก็เสียพูดเสียคนไปแต่ถ้ามีคนคอยตําหนิอาจจะตําหนิเพราะความหวังดีในฐานะที่เป็นมิตรหรือว่าตําหนิเพราะว่าเป็นศัตรูคอยที่จะทิ่มแทงก็ล้วนแต่มีประโยชน์นะเพราะทาให้เราระมัดระวังตัวทําให้เราพยายามปรับปรุงตัวเองแล้วก็ทําให้เราเนี่ยไม่หลงตัวลืมตน มีเศรษฐีคนหนึ่งตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วนะเป็นผู้ก่อตั้งสร้างเมืองโบราณเมืองโบราณนี่ก็พวกเราคงรู้จักดีคือคุณเล็กพิริยพันธ์กับผู้วันเนี่ยวันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอกปมงคลไอการถูกตําหนินี่สําหรับคุณเล็กแล้วนี่ถือว่าเป็นมงคลเพราะว่าทําให้เห็นข้อบอกพร่องของตัวหรือว่าทําให้อ่า รู้ว่าต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรหรือว่าอย่างน้อยก็ทําให้ไม่หลงตัวลืมตนว่าเป็นเทวดามีคนมาเตือนว่าเราก็มีผิดมีพลาดได้นะอันนี้มีลดแต่มีประโยชน์คนเราต้องเจอแบบนี้บ้างนะหรือว่าต้องเจอความยากลำบากบ้างถ้ามีแต่ชีวิตที่สะดวกสบายนะก็จะกลายเป็นคนเกียดคร้านกลายเป็นคนที่ ไม่ค่อยสู้สิ่งยากเท่าไหร่ส่วนคนที่เจอความยากลาบากมาตั้งแต่เล็กนี่เขาก็จะมีความเข้มแข็งอดทนแล้วเขาก็จะมีความฉลาดรู้จักแก้ปัญหานะเพราะว่าความยากลําบากเนี่ยมาสอนให้เกิดปัญญาในการแก้ปัญหาในการเอาชนะความยากลําบากอันนี้เราคงเห็นนะมากมายคนจีนที่มาแบบเสือ่อผืนหมอนไปนะ จำนวนมากก็สามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวจนร่ารวยได้แต่ว่าพอลูกที่เกิดมาหลานที่เกิดมาก็กลายเป็นว่าสบายสบายจนกระทั่งไม่รู้จักความยากลำบากทำอะไรก็ไม่เป็นเอาแต่ใช้เงินทรัพย์สมบัติที่สร้างมาในสุดก็สูญหายไปหมดไปในรุ่นที่สองรุ่นที่สามรุ่นที่สนะี่ะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเจอศัตรู เวลาเรามีศัตรูหรือว่าเราเจออุปสรรคความยากลำบากนี่อย่าไปท้อแท้ท้อถ อ, อ, อยให้หมอเป็นของดีนะมันช่วยมันมีประโยชน์ทำให้เราเนี่ยระมัดระวังไม่ประมาทแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมออ่ะเราก็เตรียมรับพร